ขอนอบน้อมแด่ดพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้เป็นสารณะที่พึ่งของพวกเราศา ส, สนิกชนท่านหลายอาขอโอกาสสนัสมเพ่มผู้ไกลมิตรทุกๆุูปและขอจริภ์พอแม่ชีญาติโยมทุกๆท่านนะครับ <c oughs> าตามสบายบ่าย ก็ใกลจะเข้าบรรษาต่รมาก็เลยกลับมาที่วัดป่าสุกโตตั้งแต่เดือนเมษาก็ไปเผยแผ่ธรรมะที่ประเทศญี่ปุ่นที่ธรรมา เคยเกิดแล้วก็อยู่ก็เป็นบญญรรยายทำบ้านแล้วก็ซ้อมการเจริญสติเขียนหนังสือเผยแพร่ก็ได้ปแปลโฮแกรมแล้วเป็นภาษาญี่ปุ่นหนังสือธรรมะแล้วก็เป็นบรรยายนี่ก็เป็น สินที่เป็นชีแน่ผลทานมักพลนิพานตามคำสงของพระพุทธเจ้าแล้วก็พืที่เดินทางก็เดินด้วยตรงแอนด้วยปฏิบัติ ด, ด้วยตรงแอนไม่ให้หาเพื่อนเดินแทนเราไม่ได้นะ แล้วก็เดินทางด้วยข า, าด้วยต่องแอนแต่ว่านี่ก็เป็นคำสอของพระตถจ้าเป็นัำพีขอดีหรือว่าเป็นนันเสตระนันเสตรใจปิดดกก็ดีเป็นแผนทีน่ทำให้เรา ไปถึงจุดมุ่มหมายโดยไม่หน่วยโดยมีประสิทธิภาพแต่ว่าเราก็ยังไงก็ตามเราก็ปฏิบัติด้วยตรงเองแล้วก็ได้เห็นพบธรรมะที่เกิดขึ้น อาดับไปเป็นอนิจจัย์เป็นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตอมเป็นนันทาเป็นเต้นเป็นทุกข์เป็นชีวิตเป็นตอนยากแพวกเราก็ดีวัดป่าสุขตอเป็นที่สถานที่เป็นเมะกับการปฏิบัติธรรมทุกๆคน ก็เป็นกัลยาณมิตรเป็นที่เป็นเพื่อนเป็นเดินทางหนทางที่อันเดียวกันจุดมุ่งหมายก็เป็นดับทุกข์ออกจากความทุกข์ด้วยการเจริญสินสมาธิปัญญา ก็ธรรมะวินัยเป็นที่พื้นวินัยก็เป็นที่เป็นการระเบียบ ร, ระเบียบชีวิตประจําวันเราพออยู่ด้วยกังก็ต้องอาศัยวินัยแล้วก็ที่พื้นเป็นศีลยิ่ก็เป็นการระเบียบเป็นรู ไว้ก่อนแล้วก็ไปตามปะตามปัดตามตามาก็ปฏิบัติไปเสียนแล้วก็สมาธิปัญญาสมาธิก็ไม่ใช่เป็นเพ่นอย่างเดียวให้เป็นจิตเป็นมั่งคมก็อยู่ยามปกติ ไม่กระวงกวายไม่คิดพูดสร้างจิตก็เป็นปกติสบายๆไม่หุ้งวายถ้าเป็นจิตมันสงบสบายแล้วก็มันเกิดปัญญ า, ง, า ง, ง่ายๆปัญญาก็รู้ด้วยตรงเงเห็นพบ โดยตรงแองแของอะไรผมก็เราก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆโดยเฉพาะที่วัดปาสุตโตก็ใช้วิธีการเจริญสติยกเมืองสั้นจังว่าเดินจองคอมเป็นหลักนี่ก็ดีนะที่คนญี่ปุ่นที่อัตามาเคยไปสอน ก็ทุกองก็ชอบออปฏิบัติไม่ยากไม่ยุ่งยากแต่ว่ามันก็มีผลดีคนที่เป็นจิตมันก็เป็นเ ส, สียสติจิตเพิงสร้างจิตไม่ปกติก็ให้เป็นปกติได้จิตก็เป็นสมาธิเป็นถามธรรมชาติ ทำไมต้องกินยาไม่ต้องไปหาหมอก็ทุกข์ก็แก้ไขได้ด้วยตองแองโอตเจ้าก็สองริยมักอมอาเดียสัต ส, สีทุกสมุทัยหิีรอดมัดทุกก็เป็นที่หงนทางที่เป็นชุดรุ่นใหม่เราเจอเราพบ กับความทุกข์ทำ ไ, ไมจะเป็นจุดมุ่มหมายจุดที่มันกำลังจะลื่มเดินตามถ้าเราไม่ได้เห็นพบกับความทุกข์ของตัวเองก็แสดงว่ายังไม่ยังไม่ได้จะจะจดืมต้อง ดีเราก็เห็นทุกมองก็เป็นนั่นเป็นผู้ที่มีสิทธิที่จะไปถึงจุดมั่นหมายสุดที่สุดก็เป็นความดับทุกข์ได้เราก็เห็นว่าอาทุก์นี่แหละเป็นเป็นสิ่งที่เป็นมีค่าไม่ต้องกลัว ไม่ต้องกำบลนไม่ต้องหอบเอแล้วก็พบแล้วก็เห็นเห็นมันไม่ได้เป็นถ้าเราทุกข์ใจไ ม, ไม่สบายใจว่านี่ว่าดาแสดงว่าเป่นทุกแสดว่าเราก็ มีสติเห็นทุกได้ว่าเป็นทุกเป็นยังไงเป็นนาการเป็นยังไงเราไม่จะเป็นทาสของมันเป็นผู้ที่เห็นทุกถ้าเห็นแลเห็นทุกแล้วก็ได้เห็นได้พบกับสาเหตุ ที่ทำให้เกิดทุกข์ได้เราก็ยึดมีตังหาอุปตานนี่ก็เป็นเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์เราก็ไม่ต้องอจัดการกับการทุกข์แต่เราก็จัดการกับ สาเหตุทำให้กวดทุกข์เป็นตังหาอุปทาให้หมดไปไม่ได้เป็นธาตุของตังหาปัฏฐานธาตุของปัฏฐานนี่หมายควาว่าเราก็ติดกับมันติดกับอาการทุกข์ทามเวทนาทุกทางกายทางใจ หรือว่าอุปคามะสุขเวทนาไม่ทุกข์ไม่สุขก็เราก็มันเลยเฉยๆแหม น, หนาคามมันก็ไม่ได้ติดกับมันไม่ได้เข้าไปแต่เราก็แหมว่าเป็นอย่างนี้ทั้งตอนที่ตังขาเกิดมันก็ทุกข์ก็เกิด ตันที่อุปทายึดมั่นถือมั่นเกิดแล้วก็มังก็ถทุกก็เกิดขึ้นเป็นพบเป็นชาเป็นความทุกข์สารพัดอย่างแต่ว่าเราก็ามีสติปล่อยไปปล่อยกันทั้งาปล่อยปัฏทานนิ่แต่อาการเบตนาทุกเบตาสุข ก็เฉยๆก็ทุ ก, ก, ก, ก็มันก็กระดับไปมนโนตนมตัิเป็นกฎธรรมชาติแต่เราก็ไม่รู้ก็ติดไปเรื่อยๆแล้วก็ทะเลาะว่านี้ว่าดาคนนี้คนนั้นหรือว่าตัวเอไม่ดีว่าไม่ใจเป็นคนดี อ่าเป็นว่าไปเรื่อยๆมันก็ทุกทุกก็ไม่ดับเพราะฉะนั้นนี้เราก็เห็นมันก็ด้วยสติอ่ารู้แล้วก็รู้ไปรู้มาก็เป็นรู้ว่าสิ น, นี้เกิดขึ้นสินนั้นดับไปไอสินนั้นมันทุ เกิดขึ้นสินนี้่ดับไปก็สินนั้นก็ดับไปแอนมันก็มักอ่าก็เป็นทุ ก, ก็อ้เป็นอย่างนั้นาสายแหุความทุกเป็นอย่างนั้นมันก็ เป็นกฏธรรมชาติแล้วก็รู้ไปรู้มาก็เกิดปัญญานี่ก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันเป็นแค่อาการอาการเฉยๆมันสิ่งล้วเกิดตั้งอยู่ดับไปไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ก็มันก็มันมีรอดนะีรอดสิ่งที่ดับไปจำนวนไม้ที่เราไปถึงก็มีหนทามเป็นมัดอมดตามมัดอมเปิดตานดั้งร่างกายวาจาจิตใจ ให้เรียบร้อยให้ดีสิ่งที่ไม่ดีก็ละออกจากไปสิ่งที่ดีให้มากขึ้นมากขึ้นทางกายทางวาจาตันใจก้อนปัตเจ้าก็ชี้แนะห้นตาง ให้ทุกๆคนว่าเป็นอย่างนี้อย่างนั้นเป็นโดยรายอละเอียดในคำส2ก่อนมาคมแปดมีอยู่แล้วก็เราก็พยายามเดินตามด้วยอดทอมแข่งขันทีด้วยวิริยะแห่งความเพียร เดินไปเดินไปหน่วยแล้วพักผมบ้านแล้วก็เดินต่อก็ฝึกฝอบรมการเจริญสติไปมือด้วยขาด้เดินด้ยยกมือสั้นจังหวะ ก็ดีเป็นวิธีการที่มันก็เปิดใจกว้างตาก็เปิดใจก็เปิดให้กว้างกว้างไม่ต้องแพ่นไปก็เราก็ดูทั่วพร้อมแล้วก็เกิดสิ่งอะไรเกิดก็ให้เป็นผู้เห็น มาให้ผู้เป็นเห็นก็รู้อาคารมันก็เกิดเสียงก็เกิดรูปก็เกิดนี่แล้วก็ดับไปกริงรถอตปะแล้วก็ทำ ธ ร, รมโลมทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นได้กเกิดแล้วก็ดับไปไม่มีอะไรสิ่งใดที่เป็นตัวตนนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดนี้เกิดสิ่ง น, นั้นก็เกิด น, นี้ดับไปสิ่ง น, นั้นก็ดับไป เป็นธรรมชาติเรื่อนๆแล้วก็สติเป็นมีสติก็เห็นได้ถ้าไม่มีสติก็เลิมไปเถอะไม่จะอยู่กับตัวกรอนทานเป็นนาวิจา ถ้าเป็นอาภิจาร ก, ก็เกิดสังขารดิญญาณนามรูปต่อไปเรื่อยๆมาปนเอ่อปปชาติจารามรณะแล้วก็ทุกสารพัดแล้วก็เกิดอาภิาใจ สังการบิญญางก็เกิดขึ้นไปเป็นวัตถสนสามเป็นรอบเป็นรอบเกิดแล้วก็ดาบไปแ ล, แล้วก็เราได้รู้อาคามเป็นอย่างนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัย ทำให้เกิดผมหรือไปรือมาก็หลบพอนะหลบพอนออกจากมัตตสอนสารแผ่น ม, มาพนนิปาก็ตามไปเรื่อยๆพระพุทธเจ้าก็สอน คนางอยู่แล้วนาทีของเราก็เดินตามคำสองของพระพุตะอนยิน่อปฏิบัติยิ่งมันความทุกข์มันน้อยลงสิ่งที่เกิดอ่อเป็น ความสุขที่แท้จริง ม, มันก็เกิดความสุขมันยับหยาบเป็นเชือกกลาวนี่ก็เป็นเราไม่ต้นยึดมั่นถือมัน่นปล่อยไปเรื่อยๆเรยพราะเรามันก็ติดแล้วก็มันเดินต่อไม่ได้ก็เลยปล่อยไป สินจีเป็นหน้ารักหน้าจังก็เราก็ไม่ได้มันเป็นเฉยเฉยเฉยไม่ได้ติดกับมันถ้าเดินต่อถ้าเดินแล้วไปเรื่อยๆยแล้วก็มันสติสมาธิมันก็เกิดแล้วก็มีใจเป็นจิตเมตตากรุณาก็ ก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติเราก็จะช่วยช่วยกลมที่ยันเป็นทุกข์ในโลกนี้ก็มีคนยันหลนแล้วก็ทุกข์มันก็มีหลายก้นบางกองก็ทุกข์แล้วก็มันจิตมันปิดปกติ ทุกข์ใจมากๆ ก, ก็เยอ่เป็นชีวิตมันก็ลำบากมากโดยเราก็มันก็ทุกข์มันน้อยลอนแล้วก็แห่งความทุกข์ของพือ้อื่นมาช่วยเหลือด้วยกายด้วยวา จ, จาด้วยใจเป็นหน้าที่ของ ของชาพุทธก็เกิดปัญญาแล้วก็ให้เกิดเมตตากรุณามันพร้อมๆ ม, มเปียกกันก็สร้างความดีโต่อโลกก็ยังไงก็ที่เราก็อยู่ปัดปาสุขตก็ดีเราก็ช่วยเป็น เป็นเพื่อนกันมิตรทุกๆคนแม้ว่าเป็นการวดญาติโยมกับผสมพอเป็นเพื่อนกันด้วยกั น, เ, นเพราะว่า เ, เดินทางมันจุดมุ่งหมายอันเดียวกันตานหน่วยแล้วก็ช่วยบ้านาบันทีก็ทอแท้เราก็เอาใจใส่ ให้กำลังใจแล้วก็ให้เป็นผู้ที่เป็นรูปแบบที่ดีของญาติโยมที่ยังไม่เยวกากับวัด้าพพาก็อบินตบาไปพบกับญาติโยมนะญาติโยมก็สตาเริ่มใส เห็นพระเรียบร้อยก็เพิ่มใจแล้วก็ได้รับปรุงสมจากการทานเป็นใสปบาก็ดีรับผองก็ดีให้เราก็เป็นพูที่รูปแบบที่ดีต่างกายต่างวาจาให้เรียบร้อยแล้วก็ปฏิบัติไป ชนถึงสมาธิเกิดปัญญาก็เกิดก็ไปเรื่อยๆเป็นกาวปันษาก็พอดีก็มีโอกาสที่ได้เอาใจอ่าให้เต็มที่ในการปฏิบัติธรรมไม่ต้องยน งับการที่เคยทำไม่ได้ยึงกับกิเลสตังหาที่เคยคขึ้นขี่แต่เรากเา็เป็นผู้ที่เป็นสมณะเป็นผู้ที่เป็นผู้ปฏิบัติไม่ว่าเป็นพระสงฆ์ก็ดีญาติโมมา ใช้ปปาสุกตอก็ดีให้ใช้ด้วยมีความหมายใช้เพื่อประโยคต่อไปนะครับก็สำหรับเก่งนี้ก็เพื่อการเพียงแค่นี้ สุดท้ายนี่ก็ขอให้าผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านก็ต้องตั้งใจปฏิบัติเกิดสติสมาธิปัญญาไปถุนมาพลนิปา ท, ทุกกลมในปัจจุบันจันทร์นี้เธอ